พึงพากันตั้งใจให้ดีวันนี้จะได้อธิบายบริสุทธิ์สินสี่ให้ฟังอันบุคคลรักษาสินที่จะให้บริสุทธิ์ได้ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมสี่อย่าง พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หนึ่งปฏิโมกขสังวนสํารวมในพระปฏิโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตสองอินทรีสังวนสํารวมอินทรีหกคือระวังตาหูจมกูกลิ้นกายใจ ไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องผดทะพระรู้ธรรมารมด้วยใจสามอาชีวปริสุท ธ, ธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตสี่ปัจจะยะปัจจะเวคณะพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจัจสี่ ไม่บริโภคด้วยตัณหาคุณธรรมสี่อย่างนี้มันเป็นสิง่งจำเป็นสำหรับผู้ที่บวดเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสา ม, มารถทีเดียวแม่ผู้ไม่ได้บวช ก็มีข้อธรรมที่จะพึ่งปฏิบัติตามอยู่ในสามข้อนั้นเหมือนกันนะข้อแรกนี่นับว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการสํารวมในพระปราติโมกขนะ์เพราะปาติโมกข์นี่หมายถึง พ่อบัญญัติห้ามไม่ให้ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสำหรับนักบวชเพราะว่านักบวชนี่มันจะต้องมีความประพฤติละเอียดอ่อนกลัวผู้ครองเรือนเราจะไปทำตนเหมือนกับผู้ครองเรือนนั้นไม่ได้ เพราะเป็นนักบวชนี่มันมีความประพฤตินั้นต้องสูงกว่าผู้ครองเรือนเนื่องจากว่านักบวชนี่เพราะพู้เทเจ้าทรงวางระเบียบไว้ให้ทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ก็เกี่ยวกับครอบครัวตัวเรือนไม่ให้สร้างบ้านสร้างเรือนไม่ให้มาค้าขาย ให้พิกขาจารย์เลี้ยงชีพได้อย่างไรมาก็บริโภคหบชั้นอย่างนั้นไม่ไม่วิตกวิจาร์ไม่เดือดร้อนเพราะการได้มาซึ่งอาหารการบริโภคหรือเครื่องเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่ที่อาศัย อะไรมูอนี่นะได้อย่างไรบริโภคใช้สอยไปอย่างนั้น <c oughs> นี้ท่านจึงเรียกว่าอาชีวะปริสุทธิ์เลียกชีวิตโดยทางที่ชอบไ <c oughs> อความสํารวมอินทรีย์นั่นแหนละก็ร่วนแต่สำคัญทางนั้นเลยถ้าว่าใครสํารวมอินทรีย์ไม่ได้ ก็จะรักษาวินัยไม่ได้เหมือนกันนะรักษาศีลไม่ได้ไม่ว่าฆฤหัตไม่ว่านักบวชเหมือนกันฆฤหัตตาไปเห็นรูปสิ่งที่ต้องการปรารถนาเข้าแล้วอย่างนี้เมื่อปล่อยให้เกิดความยินดีพอใจขึ้นอย่างแรงกล้าสิ่งที่ต้องการนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษมันก็ ไม่ว่ายอมยอมให้เป็นบาปไปต้องไปทำเอาจนได้ตามความอยากความบาดนาไม่กลัวบาปบาปนั้นมันจะสนองให้เป็นทุกข์ก็แล้วแต่มันนี่นะมันน่ากลวัวจริงนะใจของคนเราถ้ า, าว่าปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่ต้องการบาดนาหรืออารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆแล้ว ป่อยให้มันยินดีมากๆเข้าไปแล้วมันยอมไปตกนรกอา้าวนรกปรัจจุบันยอมติดคุก ม, มันยอมไปหมดเลยนี่ทุกคนนะให้พากันสำเนียกว้ให้ดีเนี่ยมูลเหตุที่มันจะได้ติดคุกติดตารางจะไปตกนรกในชาติหน้าต่อไปก็ดีมันก็เกิดจาก ควมไม่สำรวมอินทรีย์นี่แหละโดยเฉพาะมะนิอินทรีย์อินทรีย์คือใจนี่แหละเมื่อไม่สัมรวมใจนี่ให้เป็นปกติแล้วปล่อยให้มันยินดีไปในอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจปล่อยให้มันยินร้ายไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ่อยๆเข้าอย่างนี้นั่นแหละมันมูลเหตุที่จะให้คนเราได้ทำบาป จะเป็นเพศครือหัดก็ตามเป็นเพศนักบวชก็ตามถ้าใครไม่สำรวมใจอย่างว่านี่แล้วก็มันทำบาปได้ทั้งนั้นเลยให้พากันสำเนียกให้ดี <c oughs> ทีนี้เมื่อได้ปัจจัยทั้งสี่นั่นมาคือจะเป็นอาหารการบริโภคก็ดีผ้าหนุ่งผ้าห่มก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดี ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็ดีเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก่อนจะบริโภคใช้สอยก็ต้องพิจารณาก่อนเช่นอาหารอย่างนี้แล้วก็ก่อนจะลงมือฉันก็ต้องพิจารณาว่าเราฉันอาหารนี่ไม่ใช่ว่าฉันเพื่อความสวยงามเพื่อโอ้นพี เพื่อบำรุงราคะตัณหาให้แก่กล้าขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเราฉันอาหารนี่เพื่ออนุเคราะห์อัตภาพร่างกายนี้ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปหรือว่าให้ได้ปฏิบัติธรรมไปหรือว่าให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในตนเท่านั้นไม่ได้บำรุงร่างกายนี้ไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น แล้วอาหารการบริโภคต่างๆนี้ถ้าเพ่งให้ถึงความจริงมันแล้วมันก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ําไปเท่านั้นเองร่างกายที่รองรับอาหารนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมไม่มีสัตว์ไม่อมีบุคคลอยู่ในนี้เลยพิจารณาลงไปจนให้เห็นเป็นสภาวะธาตุลงไปจนจิตมันไม่ยินดียินร้ายในอาหารนั่นแล้วจึงค่อยขบฉันไปอย่างนี้ มันถึงไม่เกิดโทษไม่เกิดเป็นกิเลสตัณหาแม่พานุ่งพา่งพาหมก็เหมือนกันที่อยู่ที่อาศัยมือนี้เราต้องพิจารณาเพียงแต่สักว่าอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนหรือมันจะสวยจางงามแล้วมันจะให้ความสุข ตนได้ตลอดไปเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเช่นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้นะใหม่ๆนี่มันก็รู้สึกว่าดีแหละใช่ไปนุ่งห่มไปเงือใไขถูกไปก็เศร้าหมองไปซักคอกไปนอนก็ขาดทะลุผุกพังไป ไอ้ความยินดีแต่เบื้องต้นมานั้นกลายเป็นความยินร้ายไปแบบนี้เบือ่อนายผ้าหนุ่งผ้าห่มวนนั้ น, นอยากจะได้ใหม่มาไอ้บุคคลผู้ไม่สำรวมใจตัวเองให้เป็นปกติมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าได้พิจารณาให้เห็นเป็นสภาวธรรมลงไปอย่างที่ว่ามานั่นเนะี่ยอย่างนี้ยมันก็รักษาความรู้สึก อันมีต่อปัจจัยทั้งสี่นี่ให้เป็นปกติอยู่ตลอดไปได้มันจะได้ที่อยู่ที่อาศัยรู้หลาหรือว่าไม่รู้หลาก็ตามก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ก็สักว่าแต่อยู่ไปพอได้ทำคุณงามความดีพะได้ภาเพียรพยยามละกิเลยตัณหาเท่านั้นเองเพราะว่า เราจะไม่มีโอกาสได้อยู่เสนาสนะอย่างนี้ตลอดไปไปไปแล้วหมดบุญหมดวาสนากรงก็ต้องตายต้องพัดพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ต้องคิดต้องดมิตในใจอย่างนี้แล้วใจมันก็เป็นกลางมันก็ไม่หลงยินดีนร้ายในที่อยู่ที่อาศัยนั้น <c oughs> นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราพิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่แม้ยุกยาแก้โรคภัไข้เจ็บก็เหมือนกันนะอืก่อนจะฉันหยุกสัญญาอะไรก็ต้องพิจารณาลงว่าฉันเพื่อบรรบาดโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นไม่ใช่ฉันเพื่อความรุงร่างกายนี้ให้อ้วนให้พีให้สวยให้งามอะไรทานองนั้นไม่ใช่ เพื่อบำบัดโรคไฟไข้เจ็บให้หายไฟบรรเทาไปเท่านั้นเองอเมืม่อ<ม>พิจารณาอย่างนี้แล้วจึงฉันเข้าไปมันก็ไม่เป็นโทษแต่ถ้าเกิดหิวข้าวอะไรมาแล้วเราไปฉันทลไม้ฉันอน้าปานนะหรืออะไรเข้าไปแล้วนึกว่าฉันแทนข้าวอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นโทษเลยแหละถ้าผู้ใดนึกอย่างนี้แล้วฉันของหมูนั้นน่ะ อืต้องให้นึกว่านามปานะโมนีฉันเพื่อระ ง, งับเวทนาเก่าและมาให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอืหรือว่าเพื่อบําบัดโรคร่มโบโรคท้องผูกอะไรโมนี้นะอหรือว่ารวมความเรียกว่าเพื่อบําบัดโรคใครที่มีอยู่ในกายนี้อนึกอย่างนี้แล้วจึงค่อยฉัน เชนี้มันจึงไม่เกิดโทษเป็นอย่างนั้นแม้ครืหัดก็เหมือนกันนะอืการจะรับประทานอาหารอะไรหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็พิจารณาเหมือนกันแหละถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับยุกยาถ้าไม่พิจารณาบางคนหมอเขาแนะนําให้รับประทานเม็ดหนึ่งนี่เอาสอง กลัวมันจะไม่ถึงกับโรคกลัวกลัวมันจะไม่มีกําลังขับโรคออกไปจากร่างกายนี้ได้เดี๋ยวมานี่นยามเวลามันยามันออกฤทธิ์ไอ้กาลังร่างกายของตัวเองมันสู้กําลังยาไม่ได้มันก็ต้องเกิดแพ้ยาขึ้นมาเกิดเป็นลมอ่อนเพียหน้ามืดตาลา ย, อยูอยู่ในหัวใจคล้ายๆหัวใจมันจะวายเป็นคนแพ้ยา อย่างนี้แหละการรับประทานอะไรลงไปแล้วไม่ได้พิจารณาก่อนที่จะรับประทานก็ดีไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนรับประทานไปตามความต้องการของตนเองไม่เชื่อหมอบางคนนะมันก็เกิดอันตรายขึ้นได้นี่แหละเพราะฉะนั้น การที่คนเราจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้มันก็เนื่องแต่ว่าไม่มีอุบายแยบคายในการที่เราเกิดมาในโลกนี้มันต้องอาศัยปัจจัยสีน่นี้ก็จึงเป็นอยู่ไปได้ปัจจัยสีน่นี้ถ้ารู้เท่ามันก็มีคุณมีประโยชน์มากถ้าไม่รู้เท่ามันก็มีโทษเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนอย่าง ผู้ครองเรือนทั้งหลายเนะ่ยนั่นแหละไปฆ่าเนื้อเบื่อปลาอะไรต่ออะไรทำลายชีวิตของสัตว์มาเลี้ยงอัจฉภาพอันนี้ตั้งแต่หนุ่มจนแก่บางรายนะ่ยละไม่ได้เลยเมื่อมันทำไปามากเแล้วมันไม่สะทกสะทานเลยไม่วิตกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมนำําสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันไม่มีความรู้สึกสะรุ้งหวาดกลัวเลย เพราะมันชินพอแรงแล้วเนื่องจากว่าบาปที่ทํานี่น่ะมันยังไม่ให้ผลทันทีดังนั้นแ่ะคนเรามันจึงชะล่าใจจึงย่ำใจทําไปไม่หยุดไม่ยัง้งเพราะทำไปแล้วมันก็หมึกอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่เห็นว่ามันให้ผลอะไรอแทนที่ว่าตนไปฆ่าเขาตายลงไอนี้กรรมนั้นไม่จะสนองให้คนอื่นมาฆ่าตนตาย ในเร็วๆ ว, วันนั้นเลยอย่างนี้นั่นจึงจะถือว่าคําชั่วที่ทํานั้นมันให้ผลนั่นเป็นความเข้าใจผิดของคนเข้าใจไม่รอบคอบอืเพราะนั้นจึงอยากจะพูดแล้วพูดอีกอันเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่นะก็คนไม่ค่อยสนใจเลยนะเรื่องมันนะก็อัตภาพร่างกายอันนี้นะ บุญเก่ากรรมเก่าที่ผู้นั้นทำมาแต่ละคนน่ะทำมามันตามมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อมันตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง น, นี้ขึ้นมาแล้วกรรมเก่าบุญเก่านั่นแหละมันก็ตามรักษามันตามรักษาไว้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะใช้กายว่าจะใจ น, นี้ทาบาปลงไป อันบาปนั่นก็ไม่มีโอกาสจะให้ผลได้ในปัจจุบันนี้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมานู่นน่ะมันยังรักษาอยูอ่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจทีนี้บาปกรรมที่ทำนั้นไม่ใช่มันหายไปนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่นะั่นแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสจะให้ผลเท่านั้นหรอกท่านอุปมาไวเหมือนอย่างสุนักมันไล่เนื้อ ถ้ามันไล่ไปแต่เช้าไปเมื่อมันไปทันเอาเวลาไหนมันก็กัดเวลานั้นถ้ามันไปทันเอาเวลาค่ำมันก็กัดเวลาค่ำนู่นหรอถ้ามันไปทันเอาตอนเที่ยงวันมันก็กัดเที่ยงวันอย่างนี้เป็นต้นกรรมชั่วที่คนเราทำแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยที่คนเราทำมาแล้วนั่นนะเมื่อก็ติดสอยห้อยตามไป เพราะว่ากรรมดีที่บุคคลนั้นทํามาแต่ก่อนมันเมื่อรักษาชีวิตนี้ไว้มันหมดอายุลงเมื่อกรรมดีนะั้นหมดอายุลงไปเมื่อใดแล้วกรรมโชคให้ผลสืบต่อได้เลยมันไม่ได้ก้าว่ายกันนะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจไม่ได้ก้าวไายกันท่านอุปมาไว้อย่างหนึ่งว่าเหมือนอย่างเก้าอี้ตัวเดียว เมื่อนายกอไปนั่งเข้าไปแล้วนายขอจะไปนั่งนายขอจะไปนั่งก็ไม่ได้เพราะมันสำหรับตัวคนเดียวได้แท้เมื่อนายกอออกไปจากเก้าอี้นั้นแล้วนายขอจึงเข้าไปนั่งแทนได้เนี่ยบุญและบาปที่มันก็เป็นช่นนให้ผลคนละทีะเมื่อบาปให้ผลก่อนบุญก็ยังไม่มีโอกาสจะให้ผลในขนาดนั้น ผู้นั้นก็จะได้รับทุกข์ทนทรมานไปออบางค น, นคิดว่าเจ็บป่วยลงอย่างนี้เราทำบุญเถิดบุญจะช่วยเราให้หายเจ็บหายป่วยก็เลยจัดงานการทำบุญลงไป เ, เมื่อทำบุญไปแล้วโรคใครก็ไม่หายแบบนี้เลยวิตตขึ้นว่าชลอยว่า บุญนี่จะไม่มีผลประโยชน์ไรต่อผู้กระทำก็มังเพราะเราก็ทำบุญมากมายบบเนี่ไม่เห็นว่าโรคใครมันหายไปได้เลยก็เลยไม่เชื่อบุญแล้วนี่ไม่เชื่อแล้วนั่นเนี่ยความเข้าใจผิดให้พึ่งพากันวินิจฉัยให้ดีก็เมื่อกรรมชั่วที่ตนทามาแต่ก่อนนั้นมันยังให้ผลอยู่เนี่ย แล้วตนจะทำบุญเอาบุญนั้นไปล้างกรรมชั่วนั้นออกไปเหมือนอย่างล้างเหงื่อไขออกจากร่างกายอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ขอให้เข้าใจให้มันแน่นอนถ้ามันล้างได้อย่างนี้ใครเราจะไปตายกันใครเราจะเจ็บป่วยไข้บรรดาคนไทยที่นับถือบุรุศาสนานี่ทำบุญกันมาในตั้งแต่รู้เรียนสารนู่นมา มันก็ไม่มีคนเจ็บคนป่วยแล้วั่นเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วทําบุญให้ทานไปซะโรคใครหายไปเลยอย่างเงี้นั่นก็ทํากันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยทําบุญแบบนี้อันนี้นไม่ถูกถ้าเราตั้งใจลงว่าเออนี่เราไม่ไว้ใจในชีวิตมเมื่อเจ็บป่วยลงแล้วบางทีอาจถึงตายได้ก็มี ดังนั้นก่อนตายนี้เราจะต้องทั้งสมบุญไว้ก่อนเราจะต้องทําบุญวาระสุดท้ายขอยชีวิตอเพิ่มเติมกันไว้เออถ้าคิดอย่างนี้แล้วทําบุญกุศลไปจนหมดลมหายใจนนั่นถูกต้องนับว่าได้บุญเพิ่มเติมมากมายอืเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้นับว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องอืม เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแจ้งแทงตลอด <c oughs> ทั้งชีวิตความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทรงสรุปลงว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นก็ด้วยอานาจแห่งกำดีก ำ, ำชั่วแต่ระบุคลกระทาเอามา ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี่จกมาโดนบันดาลให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยให้คนนี้มีลาบมียศเจริญรุ่งเรืองด้วยเงินทองเข้าของอะไรพวกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งมดแล้วในเรื่องพวกนี้นะพูดง่ายๆว่าบุคคลจกไม่ได้รับความ สำเร็จในสิ่งที่ต้องการปรารถนาด้วยเพียงแค่การอ้อนวอนบวงสวงไม่ได้อมไม่ได้สําเร็จเพราะการอ้อนวอนบวงสวงบุคคลจะได้สําเร็จความสุขความเจริญอะไรได้หรือบุคคลจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าล้วนแต่เกิดจากการกระทําของแต่ละคนเท่านั้นเอง ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเลยนี่ต้องให้เข้าใจให้มันดีนะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเนี่ยอย่าไปนิ่งนอนใจต้องพิจารณาให้เข้าใจในหลักของกรรมนี้ให้มันได้ถ้าใครไม่เข้าใจไม่เห็นแจ้งในหลักของกรรมนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่กระตือเรือร้นลักความชั่วแล้วก็ทำความดีให้เกิดมีแก่ตน เพราะไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อว่ากรรมดีมันจะให้ผลเป็นสุขไม่เชื่อว่ากรรมชั่วมันจะให้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อไม่เชื่อกรรมการกระทาอย่างว่านี่แหละมันมันก็จะไปขนขวายทำไมเล่าอย่านีอยากทำอะไรก็ทำไปทมใจชอบแล้ววันนี้นะก็อย่างว่ามาแล้วนั่นเลยกรรมชั่วแม้ทาลงไปแล้ว ถ้าว่าอย่างว่ากรรมหนักที่สุดจะนี้นะถึงแม้จะไปฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่ลงไปแล้วก็สร้างนะมันก็ยังไม่ให้ผลได้ในปัจจุบันนี้กรรมชั่วนั้นนะถ้าจะให้ผลก็ในเมื่อทางการเขาจับได้เท่านั้นเนี่ยเขาก็ไปพิจารณาตามกฎหมายตัดสินลงโทษไปสมัยทุกวันนี้ส่วนมากก็ติดตารางตลอดชีวิต นั่นนหะเป็นส่วนหลายเลยที่จะสั่งประหารชีวิตนี่จะมีน้อยเต็มทีอันมู่นี้มันต้องคิดต้องพิจารณาให้มันเห็นถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วอจะไม่ทํากรรมอันชั่วใส่ตัวเลยเพราะมันเห็นแจ้งแล้วนี่ว่ากรรมชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์ แต่ว่าการให้ผลนี่มันอย่างว่านั่นหละมันก็มีการเวลามันมีจังหวะไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทํากรรมชั่วปุ๊บมันก็จะให้เป็นผลเป็นทุกข์ปับ๊บทันทีเลยอย่างเนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องดีๆมันต้องอาศัยการเวลาเป็อย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ถึงการเวลาแล้วมันยังให้ผลไม่ได้ี่ ดังนั้นอย่าไปเกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปให้ทำความกลัวไว้เสมอชาวพุทธทั้งหลายนี่นะเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าไปเชื่อกิเลสในหัวใจตัวเองเชื่อความคิดความนึกของตัวเองความคิดความนึกของตัวเองนั่นมันประกอบไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฐิสรพพสิงสังกิเลสต่าง มันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั่นนะ่ะมันทำให้เกิดความเห็นผิดเข้าใจผิดไปมันจะเชื่อได้ยังไงแล้วนั่นแหละเพราะว่าตนไม่มีกำลังจะมากำจัดกิเลสป่าประธรรมนั้นออกจากจิตใจได้มันจึงไม่มีอิสระความคิดความนึกนั่นนะ่ะอาศัยกิเลสตัณหาจูงใจให้คิด ธรรมดากิเลสตัณหานี่มันมีแต่จูงใจคิดไปทางต่ำคิดไปในทางบาปอกุศลบุญกุศลมันจูงใจคิดไปทางบุญทางกุศลทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันตรงกันข้ามอย่างนี้เมื่อผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้นั่นเนี่ยก็จึงไม่น้มใจไปในทางบาปอกุศล ไม่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงไม่ถือเนื้อถือตัวไม่แข็งกระด้างกระดึงเคารพนมน้อ ม, อมต่อบคุคคลที่ควรเคารพนมน้อ ม, อมกราบไหว้ต่อบคุคคลที่ควรกราบคนไหว้คนผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนถือตัวจัดนี่เอาความชอบใจเจ้าของว่า ถ้าตนชอบใจบุคคลใดนับถือคนใดก็ไหวแต่คนนั้นแหละถ้าคนใดตนไม่ชอบใจแล้วแม้จะมีคุณุธี่สูงกว่าตนยังไงก็ไม่ยอมไหวไม่ยอมกลาบอืนั่นเรียกว่าคนถือตัวจัดคนถือมั่นในความคิดความเห็นอันผิดๆนั่นการกระทํามันก็เลยไม่เป็นมงคล น, ะนั่นแหละไม่เป็นมงคล แถมยังไปประมาทท่านผู้ทรงคนรุ ธ, ธิเข้าไปอีกเมื่อไม่ชอบใจแล้วก็ดาว่ายกโทษติเตียนอะไรไปทำนอง น, นั้นไปยกโทษติเตียนท่านผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามนี่เป็นบาปแน่นอนเลยเป็นบาปเพราะฉะนั้นให้พากันเคารพยำเกรงไว้ ท่านผู้ใดแม้จะไม่ใช่วงสาคณาญาติของตนก็าตามจะไม่ไม่ใช่เป็นครูเป็นอาจารย์ของตนมาแต่ก่อนก็าตามเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้มีความประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจเืมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณอันดีงามพร้อมทั้งไวคืออายุอานามก็สูงกว่าตนอย่างนี้นะ เราต้องเขารบโน้อมเรื่อยไปล่ะจะเป็นใครก็ช่างอือย่างนี้เราถึงเรียก ว, ว่าเป็นนิสัยของนักปราดอันนักปราดนี่เนะี่ยท่านย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวไม่กระด้างกระเดืองถึงเวลาเขารบรน้มน้อมท่านก็โน้มได้กราบได้ไหว้ได้ไม่กลัวเสียเกียรติเสียยศอะไรเลยนักปราดทั้งหลายเนะี่ย คนผู้ที่ถืถอทิฏฐิมานะจัดต่างหากหรอกกลัวเสียเกียรติเสียยศอะไรต่ออะไรถ้าจะไปน้อมหัวหาใครต่อใครหมูนั้นนะ่ะอันมูนี่มันเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้ประสบกับบาปกรรมเวรภัยต่งตางๆคนเรานะ่ะ โทษที่บุคคลไม่รู้จักกราบไม่รู้จกไหว้ต่อบุคคลที่ควรกราบควรไหว้นี่ <c oughs> ตายไปเกิดชาติใดก็ไปเกิดในตระกูลต่ำ <c oughs> ไปเกิดในตระกูลขอทานนุ่งนั่นโทษที่บุคคลไม่เคารพร่มน้อมอันนี้นะต่อท่านผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าตน นับแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดดาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณต่อประชาราชรหมู่นี้นะมันก็เป็นบุคคลที่ควรนกควรไหว้ทางนั้นเลยสำหรับผู้ที่เป็นประชาชรานนะ่ะนั่นแหละเพราะว่าประเทศหนึ่งๆเมืองหนึ่งๆ ถ้าไม่มีกำลังรักษาดูแลแล้วก็จะถูกฆ่าศึกมันมายึดเอาเป็นเมืองขึ้นเป็นทาตไป อ, อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเถรเจ้าวันนี้ได้แสดงถึงปาริสุทธิสินสี่ให้ฟัง คือในข้อแรกนั้นผู้เป็นนักบวชต้องสำรวมในพระปราติมโมกข์ให้เคร่งครัดต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปนิ้งนอนใจสำหรับผู้บวชเข้ามาใหม่นั่นแหละต่อจากนั้นก็สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีมีสติสมบัติญะประจำตัวอยู่เสมอ เช่นตาไปเห็นรูปต่งตางๆวนนี้ก็มีสติะระลึกได้เลยมีสติประธานสี่เลยรูปนั้นก็สักว่าแต่รูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนึกขึ้นได้เลยทันทีถ้านึกขึ้นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปที่เห็นด้วยตานั้นแม้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่งตางๆก็เหมือนกันอื เมื่อมีสติประธานสี่นั้นตั้งอยู่ในใจแล้วก็มันก็ระลึกได้เลยเห็นเป็นสภพะวาาพะวทัศน์สภพวธรรมไปไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้เราะจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมอินสีให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อสำรวมอินสีได้อย่างนี้ศีลพระปฏิโมก์มันก็บริสุทธิ์ได้เมันเป็นงนั้น แต่ถ้าสำรวมอินทรีย์นี่ไม่ได้แล้วเล้วการหาเลี้ยงชีพนี่ไม่ว่าครือหัสไม่ว่านักบวชพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สเสวงหาเลี้ยงชีพนะโดยทางสุดจริตอย่าไปทุจริตอย่าไปช่ออย่าไปกรอกลวงเอาสมบัติพระอุปนเป็นของตอนอย่าไปทำลายล้างผ่านชีวิตของสัตว์ ทั้งหลายมาเลี้ยงชีพต้องหาหนทางละเว้นจากการเบียดเบียนสาทั้งหลายเช่นนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทรมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่เป็นบาปเป็นโทษสุดท้ายก็อสอนให้พิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัยสี่คือจีวร อาหารหรือว่าผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็อาหารที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บคนเรานี่ไม่ว่านักบวชเคหรือหัดต้องได้อาศัยปัจจัยสี่นี้ถึงมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้แต่เราอาศัยโดย ส, สติปัญญาเราบริโภค ป, ปัจจัยสี่นี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญา เราไม่เราไม่บริโภคปัจัยสี่นี่ด้วยอำนาจแห่งตันหานี่การปฏิบัติตามคำสอนของพระตุเจ้านะ่ะถ้าหากว่าไม่ได้พิจารณาเสียก่อนแล้วบริโภคไปนี่มันก็เป็นตันหาไปแหละดังนั้นต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังแสดงให้ฟังมานั้นแล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ จเจริญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้สะดวกสบายไม่ได้ปลุกปล้ำจิตใจอันนี้จนเกินขอบเขตเพราะเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีบาปมารบ ก, กวนก็เป็นคนใจเย็นใจสบาย น, น, นั่นนี่น้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงไปได้ง่ายเมื่อใจสงบแล้วมันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญา สามารถได้เพ่งพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปนี่ตามความเป็นจริงได้มเมื่อไม่เห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือเอาไว้ขันห้าหรือว่ากายร่างกายสังขารอันเนี้ยแม่ตลอดถึงใจก็เหมือนกันเนี่ย่ยาไปโมเมถือเอามาเป็นใจเราจิตเรานี้ไม่ได้ ไม่ใช่ของใครจิตใจนี่ก็เลยเป็นธรรมชาติรู้อันหนึ่งต่างหากมีเราต้องกำหนดรู้อย่างนี้ในเดี๋วไปสำคัญเนอาเป็นของเราของเขาเมื่อรู้ชาติอย่างนี้ก็ปล่อยวางลงตามสภาพมีสติประคองความรู้ความเห็นอันนั้นไว้เท่าที่มันจะอยู่ได้ทำอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะ ทำให้จิตใจนี่ละความยึดมั่นถือมัน่นเลยไปจนกลัวมันจะละได้เด็ดขาดดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้